นึกถึงศีลที่เคยรักษาก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปหรือว่าสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามใจชอบก่อนก็ได้เนี่ถ้าต้องการจะเป็นกรมตั้งอัตรรมรูมให้ทรงตัวคือว่าเวลานี้เราจะบูชาพระเวลาบูชาพระตั้งใจจะจิตใจพระพุทธรู ป, ป็นความจริงใจมันก็จำได้บ้างมาได้บ้างอะไรบ้านงนักแรกมันต่อไปมันจำได้เอง ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ทํามันให้เกิดความไม่สบายใจต้องทําถึงแม้ว่าเราเดินทางเวลานั้นไม่มีรูุ้ทธรูปในพุท ธ, ธาแต่ใจม น, นั้นถึงมาว่าพระพุทธรูปอยู่อย่างนี้จิตพิจารในพุท ธ, ธานุสิติกรรมฐานถ้าเป็นอย่างนี้ทุก ค, คนตายวันไหไ ป, ปันเปนผมวนั้นอรันบันดาใช้พุทธ่วยชัจทุกท่านเดี๋เราเลยวันสองนาทีเัน่อห น, นี้ไปหรอทุกท่านไปใจ เร่องตั้งต่อยอารมณ์เลยต่อยอารมณ์ทันันดาให้บ้างเลยก็แล้ต่อยอมณ์ปกตินะอ๋อทำกันใหมากเกินไปเป็นขับขัดคือสาริยกไม่หยุด ตำนับเดียวพอแลเลย่าหลายคนกมิได้เขาบอตั้งไมก่กางกลา ง, ขงเขาใอยาเกไหนหิกเชิไปฉันไม่มาก็อย่า ก, กินอขอข้าวไปบูชาไปการบูชาไม่สบายให้ฉันเป็นยอรับรับถือความดีของท่านนักบูชาไม่ต้องมากนั ก, กตำหนเดียว ผมบอกเวลาตั้งอาหารอีกไปไปรู้ตของแยกกันมาเขาจะไม่ได้ทำเดียวเลยก้แต่ก็ไม่พูดนะพูฉันไม่ันหนแต่ถ้าออกมาได้ก็ต้องเียเ์กั นมดิบเป็นพวกเหนยกินได้แต่ที่เต้เราอยากินนมดิบนะ no, no, no เข้าถึงปีติอารมณ์เริ่เร ม, เมเป็นคลิปเมื่อรมเริ่มเปคลิปเริ่มเหนนิมที่ไม่มีภาพจริงๆเลยมองรายการกล่าวไม่เห็นได้เป็นผลธรรมชานิขอ่ต้องปใสที่ไหนไม่ต้องไปของดีะดีแล้วแต่ว่าใช่เราก็เห็นตัวนั้นนะลืมยาวแต่เก้ียหารนี่ก็ทำยังไงจเข้าหรือเปล่าจะออกแรงยังไงบ้าง เวลาที่เราสบายจะให้ที่นี่เวลาจำกัดมาถึงก็เหนื่อยแล้วนั่งก็เรียดยีกั น, นกายก็ร้อนแต่ทําทำใจก็ดจได้สุขลืมที้หมดลืมร้อนลืมหนาลืมเมื่อยลืมปวดถ้าจิตจะสมาธิจริงขึ้นปีติมารียนนี้จริงแะมันนีแต่สุขตัวเดียว นั่นคือหนึ่งใน คุยแล้วอาจจะคุยผิดก็ไม่ได้จะบอกความรู้สกว่องคนในไหก็บอกแขกที่มาบอกว่าเดียวควรนเดียวก็เข้าห้องรับวัดก็กราบวัได้นเสียงบอกทันทีก็าอกเลยหายว่าง้บางคราวที่คุยคนอยู่ห้องไกลห้องวัวดองที่เข้าช่วยเจ้าท่านบอกว่าเหตุบัวทองก็ได้เพราะเไม่ที่ซงห้องกล้ก็อุ้มเร่งการขายกัน พี่เองค้าดีเป็นพุทธานุกติใช่คับต้องสวมไปแล้วจ้าจารามนุกติตไทโส่ให้ใหม่าเลยรัจ้าจ่ารามนุติโอ้โหสามเหลี่ยมขาดูดานเลมีเข้า ก็แจว่าปริเวณหัวเราค oh. ่านก็ควรแจ้งให้เมไหร่ท่านไม่พาก็สนจะไปแย่จิ เดี๋ยววิวจะใ่อต่อทีบานอุ่นเายด้ว่ไม่เคยไปไนเป็นกรเลยนด้วยหมดจแบบไม่ดีจีนันี้ก็ไม่แคร์ใคบางคนบอ the c a m e r เราเกามาว่าพร่นานักโพมช่วยด้วยตามโรใช้ได้ใช้อีสคนชาติช่วไปนับรือพระสำนโโัโพลมอย่ า, า, นาโโงน้เลยผว่าท่าอาจาอาจารย์ต่างเทศพระสำนะโลครั้งเี้จะติดใจจีนโกรธใหญ่เลยอบายในะก็ออยที่ข้าวปลาไปกินวิ่งแจ่นไปที่นั่นเจ้าเจามาแก้ยู่ ถึงปเอดาลเลยตามบาลีบอกดาแบ่เข้าสนามกอล์ฟจากใครทว่าเจ้านี่เนี่ยก็จดาบไปดาบมาเข้าแล้วไม่ได้กินไปแรงก็หมดโอ้ก็หมดแรงแกก็เลิดาบแได้ชี้หน้าจ้าก็บอกว่าก็จะะโกนูแกแพ้ขาดแล้วเมื่อเจ้าถามว่าพตากกดิ์นตรงไหน ในกรณีบอกว่าก็ข้าดาแกแกไม่ดาตอคขาดีว่าท่าน ร, รู้เองสิทูาาเลเจ้าสุขตะเรียบร้อยกับรามสถาพุตีความรู้สึกว่าถ้าใครโกวจสถาพุมาถ้าสถาพุโกรต่อสถาพตจะเลวบนนั้นนะเป็นสถาจะมีบุญรู้สึกตัวนั่งพยมขออภัยฟังแค่จบก็เยะเดียวเลยว่าเลย แบ้นักรีดดันนะที่แบบนี้ยาวกันนะถ้ราด่าไม่ด่ามจอยากให้ด่ามก้าเราด่าก็เราเร็วเร็วเร็วกว่าเขาาเร็วมาแล้วเราย่งเร็วกว่าก็มีด่าทุกนเาบอกก็มี่าก็มีด่ากมีด่าทาต่อไม่ดีที่จะมาบอกามใ่ใโ้ด่าบอกใีแไว่าเราว่าต่อเราเรวกว่าเขาใช่ย้่า ว่าแบบนี้เนี่ยต้งจำแบบที่ว่าจะถึงเที่ยงแวมีแสงายโอเคงานที่ยราสงหายกังจัด เป็นการสุขเรามันกต่อไปอนย่งใหแต่ว่าตอนนี้ฉันกา ย, ยังจะไมเใหนแล้วให้ันก็แค่ทั่งสมาธิ่ม่ตั้งตรงก็ยังไน่ตั้ง 不因为声音，不因为声音，就是个麦声，两样啊。响薄，但让那个响粗。那响软弱的响，那<音>高、那ธรรมดา。那响เบา，高 nỉm nồn， 那响 bơ bơ da。那响啊哈，那响 yok chung。都好啦，都好嘞，这样子。 ว่าลูกเสด็จมีเยอะเลยลูกเสียนะเราเสียมาลักษณะไหนก็หมายความว่าใส่ามลักษณะั้นเอ่อล้อที่เรารพยานหงก็มนานวนนี้ลูกไปบนพระสีคงว่าขอมีงานทำบัดนี้รูกก็แก้แก้บนพระสีคงวัดพระภิเป็นที่เรียบ้อยแล้วต่อมาไม่น้นทัานญาโมก็มาคุยกับลูกในทุกวันเลยครับน ให้เจ้วปเต์่นใหโสมาไม่เกิดดกันยนะ่รโตรงเลยเพราหวานก็จเป็นตโกี่แหละโอ้ลยคร้งวิ่งไม่ต้อนักแล้วก็อะไรนัต่อยปากหวาผู้ต่อนได้เลยตาต้องชาติตา้าแต่งทุกวันนได้ก็ดีนที่หมายาเื่อโกกนะว่า เราเสียเราเารเก่มันไม่ใช่ปัจจุนบ้านเราสิบ้า น, านออเนตนเนเนน้องเจารวเศษนะเรเสียของมาไมาก็างไหนก็เป็นปัจจนไปนนี้เวลาเราต้อง